50 languages. ที่ธนาคาร b a n k v c h ดิฉันต้องการเปิดบัญชี म ैं ik k h a ा a khon na chon da ha. Mae นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉันเอ้ห์มีระพาสปอร์ตและนี่ที่อยู่ของดิฉันอเอเธอเอห์มีระพัาดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน म มं अ อปนิขเทวิชุเพสเซจจำักครวญนาช ह ันด้าฮะเे खाते นิขเทวิชุเพสเซจจำักครวญนาชนดี ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉันเข मैं अ प न ง खाते व ि च งินจากบัญชีของดิฉันดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง แม่ย ात เรียเล่นนะช่วงดีฮะแม่ย ात เรียเคกล่นนะช่วงดีฮะค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะชุลกกินน่ะเหตี้ฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะแม่ฮัศตากลับคิดเท่กันเนือห์ดีฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันแมมตุด นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉันเอเมรคาตานัมเบอร์เงินเข้าหรือยังคะเเซอฮดดิฉันต้องการแลกเงินมเอรกมบัดลลนีโจนดาฮามเอรกมบัดลนีโจนดีฮาดิฉันต้องการเงินดอลล่าสหรัฐ เมนูอเมริกันดอลลาร์ใจเดือนกรุณาขอแบงก์ย่อยค่ะเมนูทุ๊ดเต้เพสเซช์ใจเดือนที่นี่มีตู้เอทีเอมไหมคะกี่เอเคุยเทีอมหสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะคาเทวิชชุินเน่เพสเซชันดยจาสักเดือนใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะ